ชีวประวัติหลวงปู่บุตรดาถาวโรหลวงปู่บุตรดาถาวโรเกิดณบ้านพุกขาอําเภอโคกสํารงจังหวัดลกบุรีนามเดิมบุตรดามงคนทองบุตรดาเป็นภาษาสมัยเชียงแสนแปลเป็นภาษากลางว่าบุธธิดาโยมบิดาชื่อนายน้อย มงคลทองโยมบรรดาชื่อนางอึ่งมงคลทองเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้นสิบค่ำเดือนยี่อีมะเมียตรงกับวันที่ห้ามกราคม2437มีพี่น้องรวมเจ็ดคนเป็นชายสี่หญิงสามปัจจุบันเหลือเพียงในเหลือมงคลทองน้องชายคนเล็ก ชีวิตปฐมวัยตอนเป็นเด็กนุวงปู่มีสุขภาพอนามัยดีแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวสนใจเชื่อมั่นเลื่อมใสในพุทธศาสนามาแต่เยาว์วัยแต่ในสมัยนั้นไม่มีโอกาสเรียนหนังสือเพราะในละแวกบ้านนั้นไม่มีโรงเรียนวัยเด็กท่านก็วิ่งเล่นซุกโซนตามภาษาเพอเติบใหญ่ ก็ช่วยพิดามานดาทำนาแอนเป็นอาชีพหลักของครอบครัวตอนเด็กเมื่อพูดได้ลุงปู่ก็จำอดีตของท่านได้ว่าเคยเกิดที่ไหนตายที่ไหนเคยเกิดเคยตายมาแล้วเกิดที่ไหนแคว้นไหนเคยรู้มาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลท่านปฐมสังสคายนาอยู่สามเดือนท่าน ยังได้ร่วมเขาทำบุญตักบาตรพระอรหันห์้ารอย ร, รูปมาแล้วและช่วยในงานถวายพระราชทานเพลิงพระพุทธเจ้าด้วยแต่จิตยังตามไม่ทันยังต้องท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายมาจนถึงปัจจุบันชาติหลวงปู่เกิดสัญญาจำอดิตชาติได้ว่ามิดาในปัจจุบันคือพี่ชายของท่าน ในชาติก่อนที่ชายคนนี้รักและตามใจน้องทุกอย่างและยังจำสัญญาเดิมได้แม่นยำมาจนปัจจุบั น, นชาติขณะอายุสิบกวบท่านถูกบิดาเคียนจึวิ่งออกนอกบ้านพร้อมกับตะโกนว่าพ่อโกหกพ่อโกหกพ่อก็งงว่าเอทำไมลูกถึงพูดแบบนี้มานดา จี่นี้เข้าไปปลอบพร้อมสอบถามท่านจึงเล่าเรื่องอดีตชาติให้มันดาฟันว่าพ่อไม่รักษาคำพูดว่าจะไม่ทอดทิ้งไม่ตีไม่ดุแต่พ่อยังหลงตีลูกอีกตีลูกก็ถูกน้องชายน้องชายมาเกิดพี่ชายก็ไม่รู้จักน้องชายคือหลวงปู่พี่ชายเป็นพ่อแต่พ่อ ระดึกชาติไม่ได้ส่วนหลวงปู่ระดึกชาติได้จึงตะโกนออกไปด้วยความน้อยใจทาให้ล่ำลือกันในหมู่ญาติว่าเด็กชายบุตรดามงคลนทองเป็นเด็กที่ระดึกชาติได้ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่ได้ถูกวินดาเที่ยนตีอีกเลยเป็นทหารรับใช้ชาติ ในปีพุทธศักราช2458หลวงปู่อายุ21ปีถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารสังกัดกองทัพ บ, บกจากหลักฐานที่ท่านได้สักไว้ที่ใต้ท้องแขนข้างขวาซึ่งเรียกว่าเลขสักหมายทบ3ขีด2456ซึ่งหมายถึงทหาร บ, บกปืน3ในรัชกาลที่6 ทนรับราช ก, การทหารอยู่สองปีในกองทัพที่ 3, สศูนย์การทหารปืนใหญ่อำเภอโคกกระเทียมจังหวัดลบบุรีช่วงเป็นทหารนี่เองท่านจึงได้มีโอกาสฝึกเขียนฝึกอ่านหนังสือในอดีตท่านเคยเกิดเป็นผู้ชายอาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงคือไทยและลาวไม่ต่ำกว่าจ็ดชาติมาแล้ว ทั้งแต่รัชการที่หนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะ ต, ตายเส ก, ก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้ทันบวชคือสิบห้าก็มีสิบแปดก็มีสิบเกก็มีตายตำบลไหนก็เกิดตำบล น, นั้นเกิดฝั่งนี้ก็ตายฝั่งนี้เกิดฝั่งโน้นก็ตายฝั่งโน้นเหตุที่อุ้งสัน้นก็เพราะสมัยนั้นไข้ป่ามีมากแต่ยาไม่มี เลยเป็นเหตุให้ตายเสียก่อนและท่านก็ไม่เคยเกิดเป็นผู้หญิงเลยตอนเป็นคนทหารหนุ่มรูปงามเรียบร้อยพวกผู้หญิงชอบมาเกียวท่านแต่ท่านกลับพูดว่ากลับไปเสียเถอนะฉันเป็นทหารตัวเมียไม่ชอบผู้หญิงถ้าไปเจอทหารตัวผู้คนอื่นเข้าจะลำบากนะบางครั้งพวกผู้หญิงชอบมาจับตัวท่าน จับแขนท่านท่านก็เตือนว่าอย่ามาจับอย่ามาต้องนะพ่อแม่เขายังไม่ได้อนุญาตบาปนะย้อนอดีตความรักตั้งแต่เด็กท่านมักบอกมารดาว่าโตขึ้นท่านจะไม่ขอมีครอบครัวเพราะระอายใจในเรื่องที่ประลึกได้จากอดีตชาติของท่านว่าในอดีตชาติหนึ่ง เมื่อท่านเป็นชายหนุ่มเกิดพอใจหญิงสาวชาวบ้านใกล้เคียงผู้หนึ่งจึงไปพูดคุยด้วยแทนที่ฝ่ายหญิงจะพูดด้วยดีกลับพูดลำเลิกถึงอดีตชาติว่าในชาตินั้นท่านเป็นผู้ทำให้ดิฉันถูกทุกตีถูกจะปลุกทรมานให้อดอาหารจนท้องผูวตายกอมาชาตินี้จำบรักติดฉันทำไม ขึ้หลวงปู่ก็มองเห็นอดีตชาติของตนได้ว่าชาติหนึ่งท่านเคยเกิดเป็นสมภารชาววัดที่ประเทศลาวขณะนอนขัวอยู่ได้มีหมาตัวเมียขึ้นมาลักลอบกินอาหารที่เด็กวัดเก็บไว้ท่านจึงร้องบอกพวกเด็กจึงไล่ตีหมาและไม่เพียงแต่ไล่ตีเท่านั้นกลับจับหมาให้ปลูกไว้กับรัว้วที่ไกล จากท่านสมพานนอนเจ็บทั้งยังมัวห่วงแต่าการเจ็บป่วยของสมพานและบุนกับการตายของสมพานในเวลาต่อมาจึงลืมนึกถึงหมาตัวนั้นเป็นเหตุให้หมาตัวเมียนั้นต้องอดอาหารทุรนทุรายตายอย่างทรมานเมื่อชายหนุ่มระลึกถึงอดีตชาตินี้ได้ ก็เกิดสลดและอายใจว่าที่เราเกือบจะเอาหมามาเป็นเมียแล้วหรือการปวดกับการตายของท่านสมภารและหมาในคราวนั้นจึงจองเวรติดตามมาการที่เด็กวัดไปตีหมาและจับผูกไว้จนตายไม่ใช่คําสั่งของสมภารหมาตัวนั้นซึงจองเวรได้เพียงเรื่องที่ถูกตีเพราะเสียงร้องบอก ของสมภารเป็นเหตุครั้นต่อมาเมื่อหมาตัวนั้นเกิดเป็นหญิงสาวแล้ระลึกชาติได้จึงล้ำเลิกถึงอดีตตชาติที่เป็นต้นเหตุให้ชายหนุ่มเดือดร้อนปดสูและอายใจเพราะได้ลึกได้ถึงอดีตตชาติในคราวที่เป็นสมภารทําไว้การจองเวรในอดีตตชาติจิ่งทําให้ท่าน มีความเบื่อหน่ายในการเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารอันยาวนานมากยิ่งขึ้นหลวงปู่ว่าอดีตที่ผ่านมาเจ็ดชาติครั้นพอช่วยเหลือตนเองได้จะไม่ให้ผู้หญิงอื่นเข้าใกล้เลยยกเว้นโยมแม่คนเดียวเท่านั้นสู่ร่มกาสาวพัท ขณะที่ยังเป็นเด็กหลวงปู่เคยขอคุณพ่อคุณแม่บวชตั้งแต่อายุห้าขวบแต่ผู้ปกครองยังไม่อนุญาตเพราะโยมบรรดาหวงอือหลวงปู่ใช้ง่ายไม่เกเรตอนอายุสิบขวบหลวงปู่บอกแม่ว่าเรมาเราจะบวชให้แม่คนอื่นเขาแต่งงานกันเรารู้มาหลายชาติแล้ว มาชาตินี้เราขอถามให้โยมแม่เป็นพยานหน่อยว่าสาวบ้านโน้นมาอยู่บ้านนี้ทําไมเขามาอยู่กับปวกเขาพ่อผัวแม่ผัวเขาหนุ่มคนนี้ทําไมไปอยู่โน่นละ่ะเขาไปอยู่กับพ่อตาแม่ยายเขาพวกนี้พ่อตัวก็มีแม่ตัวก็มีกลับไม่อยู่เราบอกว่า เราไม่แต่งงานอย่างหนุ่มพวกนั้นจากพวกนั้นเราไม่เอาแม่บอกว่าไอ้หนูอย่าพูดอย่างนั้นสิเอะพูดออกไปแล้วนี่จะไม่พูดยังไงละ่ะพูดว่าจะบวชให้แม่นะหลังออกจากทหารเมื่ออายุยี่สิบสองปีแล้วผู้ปกครองยังขอไว้ใช้ทานาอีกหกปีจนอายุยี่สบ บิดามานดาจึงอนุญาตหลวงปู่ว่าเวลาบวชต้องมีสกุลอื่นมาขอไปบวชนะสะกุลโน้นนะ่ะโยมพ่อแม่ทางโนนมาขอยมพ่อโยมแม่ให้หลวงปู่ไปบวชคู่กันกับลูกชายทีนี้โยมนั่นก็เลยนักถือกันมาขอลูกชายของโยมขอองค์นี้คือหลวงปู่ไปบวช พอบวชไปเป็นสองสกุลอยู่วัดพระดุงธรรมนี่สกุลเกิดไปอยู่วัดพระยาสกุลบวชโยมผู้หญิงเก้าสิบโยมผู้ใหญ่แปดสิมานับถือลูกบุญธรรมนี่มากกว่าลูกชายเวลาบวชคือวันเสาร์สิบห้าเมษายนนะสอง5นสห้าณพระธศีมา วัดเนินยาวตำบลโพนทองอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีโดยท่านพระครูธรรมขันธสุนทรเป็นพระอุปชาท่านพระครูเรืองเป็นพระกรรมวาจาจารย์เจ้าอธิการไพยเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยคณะสงฆ์ไทยยี่สิห้ารูปเป็นพระอันดับ หลวงปู่ได้รับฉายาว่าถาวโรพิขุหลวงปู่กล่าวเสมอว่าท่านถือพระอุปชาและพระสงฆ์25ห้ารูปเป็นครูบาอาจารย์อุปชาทุกองค์เพราะท่านสอนปัญจ ก, กรรมฐานให้แล้วในวันอุปสมบทคือเตสาโลมานักขาทันตาตจดโ ตะโจทันตานักขาโลมาเกษาพิจารณาตามลำดับและย้อนกลับจนเห็นได้ชัดเจนแคลวคล่องเมื่อบวชแล้วหลวงปูก่ก็ตั้งใจทำตั้งแต่วันบวชเรื่อยมาหัดเรื่อยมาตั้งใจบวชไม่สึกขณะพำนักจำพรรษาในาวัดเนินยาว ท่านก็ได้แต่อาศัยการท่องบทสวดมนต์ทำวัดเช้าคำ่ำและปฏิบัติพระอุปชาพรรษาแรกเมื่อลุงปู่บวชได้ไม่กี่เดือนทางวัดที่จำพรรษาอยู่มีการสร้างศาลาแหลมคาสังคสีซึ่งท่านก็เป็นพระองค์หนึ่งที่ต้องขึ้นไปช่วยมุมงหลงคาซึ่งขณะนั้นร้อนจัดมาก ยิ่งเป็นสังกษีเก็บความร้อนได้ดีก็ยิ่งทวีความร้อนสูงมากพระและชาวบ้านต่างช่วยกันอย่างขมักขม้นตั้งแต่เช้าจนแดดแก่จัดต่างทนไม่ไหวค่อยๆถอยลงมาจนหมดเหลือเพียงหลวงปู่ซึ่งเป็นพระนวกะบวทใหม่ผู้ไม่สะทกสะท้านกับความร้อนที่กำลังเป็นอยู่ ในขณะนั้นแต่อย่างไรคงอดทนทำงานจนเสร็จได้อย่างน่าอาศัศจรรย์เมื่อตอนบวชเป็นพระใหม่ๆเวลาออกบิณฑบาตบางครั้งก็มีหญิงสาวสวยผิวนวลมาใส่บาตรหลวงปู่มองเห็นนิ้วมืออมเรียวง า, ามดุดดำเทียนอารมณ์นมก็พลันเกิดขึ้น มองมือก็สวยมองหน้าก็สวยขณะเดินกลับพัดท่านก็คิดตลอดทางว่าจิตใจเป็นอย่างไรกันเนาเขาไม่เข้ากับเราแล้วยังไม่พออีกยังจะเอาคนใส่บาตรอีกด้วยท่านตำหนิตนเองเมื่อจิตใจปุงสั้นมากๆดังนั้นจะยังไม่ไปบิณฑบาต ท, ทางนั้นจนกว่า จะไม่เกิดอารมณ์หลวงปู่จะแก้ที่ตัวท่านเองตลอดเวลาแม้แต่กับข้าวอาหารถ้าอร่อยลิ้นอยากฉันมากๆท่านก็จะงดเสียเป็นการทรมานตนเองจนกว่าจะเอาชนะอิตใจของท่านได้จนไม่เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นแหละจึงหยุดพิจารณา หลวงปู่มีความชำนาญในการปฏิบัติธรรมมากวันหนึ่งขณะภาวนาอยู่ในพระอุโบสถได้อธิษฐานว่าถ้าแม้ถิ้งจะรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเมื่ออธิษฐานอย่างไรขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ตั้งใจเพ่งเตโชกสินจนปรากฏมีไฟลุกพ่่มโบท มองเห็นไฟร้อนแรงจริงๆจากนั้นท่านก็อธิษฐานเพ่งอาโปกสินเอาน้ำมาดับไฟทาดก็ดับไฟได้จริงหลวงปู่เป็นพระพิสุนโงผู้เคร่งครัดยิ่งสือทุ่งขวัดรครองผ้าสามผืนเป็นวัดบิณฑบาตเป็นประจำทุกวันฉันมื้อเดียววันเว้นวัน ฉันเฉพาะในบาทวันไหนบินทบัทแล้วไม่ฉันก็ถวายพระเนนองค์อื่นบางครั้งฉันเข้าเปล่ า, ลาฉันข้าวกับเกลือก็มีตามแต่จะได้มาชีวิตเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายทุกอย่างพอดีหมดเวลาร้อนเวลาหนาวหลวงปู่จะบอกว่าร้อนพอดีหนาวพอดีเกี่ยวกับรสของอาหาร บางครั้งเค็มมากเค็มน้อยหวานมากหวานน้อยแต่หลวงปู่บอกว่าเค็มพอดีจืดพอดีหวานพอดีอะไรอะไรพอดีทุกอย่างท่านเป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่สะสมวัตถุใดๆทั้งสิ้นมีความสํารวมกายวาจาเป็นปกติรักษาความสะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา ท่านฝึกหัดตนไม่เคยขาดคือทำวัดสวดมนต์พิจารณากรรมาฐานห้าตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาพร้อมตั้งเร่งความเพียรด้วยความมานะอดทนจนถึงกับสลบ ก, ก็เคยนีหลวงปู่ว่าอดไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวกลัวแต่จะไม่ได้ธรรมะเพราะร่างกาย มันธาดดินธาดน้ำปนกันเป็นตัวเท่านั้นชีวิตหลวงปู่ได้ทุ่มเทกับการปฏิบัติธรรมชนิดเอาชีวิตเป็นประกันเดิมพันด้วยความตายกับความสำเร็จช่วงปีนั้นหลวงปู่ต้องอดทนกับความทุกข์ยากมากประเทศชาติและประชาชนเดือดร้อนพระสงคลามกลางคืนไม่มีไฟ พ้าห่มพานุ่มก็หายากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องทนเอาอาหารขาดแคลนบางวันมีก็ได้ฉันบ้างบางวันไม่มีไม่ได้ฉันก็ต้องอดดับราคะกิเลสเรื่องกิเลสราคะนี้ในยามหนุ่มตั้งแต่ก่อนบวชก็มีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแม้ว่าหลวงปู่ จะปฏิบัติกรรมาฐานพิจารณากายเสมอไม่ได้ขาดกิเลสกามราคก็ยังมีอยู่แต่เมื่อพิจารณาตามสัญญากเก่าในอดีตที่ระลึกได้ทำให้ตัดอารมณ์ได้เร็วพอได้เห็นอะไรที่จะเกิดกิเลสเพียงชั่วขณะ ก, ก็หน่ายไปแต่ไม่ขาดในทันทีจนกระทั่งมาบวชเป็นพระแล้ว ก็คอยพิจารณาตามดูอยู่เสมอท่านก็รู้ว่ายังมีอยู่ท่านว่าเจ้ารักะเอย๋ยเราอยู่วัดห้ามเจ้าก็ไม่ฟังห้ามหัวค่ำมาเช้ามืดห้ามเช้ามืดมาหัวค่ำเออมันอยากสึกจะสึกไปทำไมโวยทีนี้จะเข้าป่าละโวยเรียกครกสิทธมาครูบา เรียมาทำไมครับครูบาจะไปไหนจะไปเสือกินช่วยหากของไปหน่อยส่วนจะเพนแล้วแตพบถ้าเสือละโวยอา้าวเอาเพงมาฉันพอฉันเพงแล้วเอา้าวขนของเข้าถ้าขนเสร็จไปพวกมึงไปครูบาไม่ไปหรือไม่ไปหรอกกูจะอยู่ให้เสือมันกิน พอเด็กไปแล้วพอบ่ายโมงปักกรดปักถ้ำเสือมาแล้วหนึ่งตัวยาววกหกศอกไอชอบรลาคะเอย๋ยเสือมาแล้วมันคยกันกูห้ามเช้ามืดมึงมาขึ้นหัวค่ากูห้ามหัวค่ามึงมาขึ้นเช้ามืดเสร็จแล้วนั่งหลับตา เพลืมตาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งหกสองมาอีกสองตัวสามตัวสี่ตัวหกตัวเออเอาให้พอเดอ้อไอ้ตัญหาเอย๋ยมึงเอาให้พอเสือมาแล้วนั่งหลับตาตั้งแต่บ่ายสามโมงจนสามโมงเช้าเอเสือหายหมดไอ้หลักค้า ก็หายไปด้วยเออทีนี้กลับบ้านด้และโวยโดยไปตัดสินกันในป่าในเขาซื้อออกมาล้อมกรดมันตั้งหกตัวพอดีกันเกือบเห็นกลงจักเป็นดอกบัวเสร็จแล้วเห็นคนเป็นนางฟ้าไปแล้วเวลาเสือมาจริงๆมันไม่รู้ไปไหนออกจากกรดไม่ได้ นั่งหลับตาไว้เลยมาหกตัวพอดีหาตาตัวหนึ่งหูตัวหนึ่งจมูกตัวหนึ่งลิ้นตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งใจตัวหนึ่งในใจของท่านจะสงบนิ่งราคะมาทางไหนไปได้อย่างไรหมดสิ้นไปไหมมีอีกไหมรู้ได้หมดตอนนี้เอง